บทภาชนีนิสักคียปาจิตตีร้อยห้าสจีวรเกินหคืนภิกษุสําคัญว่าเกินอยู่ปราดต้องอาบัณฑิสักคียปาจิตตีเป็นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติจิวรเกินหกคืนภิกษุไม่แน่ใจอยู่ปราดต้องอาบัณฑิตสักคียปาจิตตีเป็นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติจีวรเกินหกคืนภิกษุสําคัญว่าย่อนกว่าอยู่ปราดต้องอาบัณฑิตสักคียปาจิตตี เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติจีวรยังไม่ได้ถอนภิกษุสำคัญว่าถอนแล้วต้องอาบัตนิสักียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้สละภิกษุสำคัญว่าสละแล้วต้องอาบัตินิสักียปาจิตตีจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสำคัญว่าสูญหายแล้วต้องอาบัตินิสักียะปาจิตตีจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสำคัญว่าฉิบหายแล้ว ต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรยังไม่ถูกไฟไหม้พิกษูตสาคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีจีวรยังไม่ถูกชิงเอาไปภิกษูสําคัญว่าถูกโจรชิงเอาไปแล้วอยู่ปราดต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีเป็นไว้แต่ภิกษูได้สมมุติติกะทุกกฎภิกษูไม่ได้สลัดจีวรเป็นนิสกีใช้สอยต้องอบัติทุกกฎ จีวอนหย่อนกว่าหกราตรีพิกษูสสำคัญว่าเกินแล้วต้องอบัตทุกกฎจีวอนหย่อนกว่าหกราตรีพิกษูไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎจีวอนหย่อนกว่าหกราตรีภิกษูตสำคัญว่าหย่อนกว่าใช้สอยไม่ต้องอบัต